คนเราเป็นการใมีอาการเหมือนสายที่มันเกิดขึ้นจะตายมากไปจิตใจทุกเหตการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นับจิตใจมากไปเหมือนต้องหยุดเราเป็นคนเป็นมนุษย์ เช้ชาเ า, าหน้าตื่นั้งกับอาหารเช้กตื่นาจต่อส้าข <c oughs> องาจเล่นีญก็เชียงไยเล่นโนนก็อาบน้ำมันมีของเสื่ อ, อยันอยู่ตาย น, นั้น้าปวดน้ามืยก็พัก่อน ลานอนก็นอนถึงเรื่องของกายสาวศาสนาแบบนั้นเราก็อยู่ได้อยลักษณะแบบนั้นตอนนั้นก็เป็นนา ก, การธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติที่ช่วยกันอยู่แต่ปัญหาอาการที่เกิดขึ้นบางอย่างเกิดอ ก, กาย่ก็ไม่ค่อยมาก นั่นปฏิบัติอยู่ศาสนาอันเป็นที่ศาสนาทื่เวลามันทุกศาสนาที่แกทุกตศาสานาที่คนค น, คนทุกคนทุกแก่ทุกจะปล่ยแรงพิมพ์แล้วคนมีไรปัญหาอะไร ต้องแสมันที่บ้านใตอาคารที่เสร็จที่สุาเนยเอาธรรมาแส่ได้ทั้งหมดทีาสนาจนต้องแก้ปันหวที่เศรษฐกิจใจเอือเศรษิใจจะมีอาคารหลยอยหญ่ก็แก้ได้เสียนได้ อาชามาให้ราใช้เพื่อให้เปลี่ยนร่าป็นดู <c oughs> ทุกคนก็ทำได้ <c oughs> อย่าปล่อยตัวเองทิ้งบาดยาสิละสิ ท, ที่เหมือนกันหมดแต่ไม่เหมือนกันตรงที่ลาหลงหลงดื่นเขาไม่หลงสิมืนที่เราหลง สิ่งที่เราทุกคนเดินเข้มาทุกสิ่งที่เราทุกนจะต่างกันตรงนี้สิ่งปัญหาก็าเดินเขามีสัญญาแต่คนที่ไม่ฝกัดเขากลายเป็นคนอปัญหาเขปเป็นปัญหาตาความหลงเขาเป็นความหลงตาย ความทุกขเป็นความทุกข์ปายความปดเป็นความปวดปายเป็นภาะปายไม่คดปถ้าคนที่ศึกษาปฏิปัติคำสอนของศาสนาก็ต่างกันอย่างที่เราได้ทำอยู่นี้เห็น อะไรมันเกิดกับกายว่างอะไรมันเกิดกับจิตใจว่างเฮ้ยตัวใช่ตนจริงๆมั้ยเวลานั่งมันนานมันปวดบ้างมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติมันบอกนี่คืออาการต่างๆ ม, มันไม่กองที่มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆของมัน อาการเหม่นสางปวดเม้่อยเรเกี่ยวกระคบวดเม่อยอย่างไรเป็นตัวเป็นต้นไหมหรือว่าเห็นความจริงความเท็ของมันนักก็จะได้เจอปัญญาตรงนี้บ้างวษาธรทมวาระจาจนาด้วยถูกทุกถูกทุกควันแสดงออกให้เราเห็น สุขก็เป็นสุขหรือทุกข์ก็เป the si ็น n ุกข์แค่นั้นหรืมีอะไรเกินว่านั้ได้ไหมจนตรงนี้หรือเราปัติตามนก็เนสุขเห็นทุกข์เราเห็นเราเห็มันสุขเรามันทุกขรามาไม่้ทุกข์ทองเาท ไอ้สิตัวเจ้ตัวมันจะตัวเาไอ้เจก็รารเยอะอันนั้นสาพพบสุาได้ควาพบา้ว่กรเ่ยะยางนันเฉลี่ยเติเเี่งเราก็เสียเวลากันม เราไม่เห็นไม่เห็นตามความเป็นจริงหลาตาที่เกิดกับศาราสนี่เกิดเป็นตัวเป็นตนไปตัดพ่อัสิง่าามาศึาูที่มเป็นงเป็นทางร้าทผสมว่านี่สถิตในกาี่สถิตในเวทนา สัจจะว่าอะไรที่มอนเกิดจากายจากใจก็สัจจะว่าสักจะว่าความเจ็บสัจจะว่าเ็บควานสุขสัจสสว่าสุขความทุกข์สัจจะว่าทุกข์ู้หวยนั่นแล้วอะไรที่มนเกิดจะกายากใจเนสัจว่า เห็นสัจว่าเห็นเกี่ยวกับความเห็นอย่างถูกต้องได้ยินสักจะว่าได้ยินเกี่ยวกับความได้ยินอย่างถูกต้องได้สำปัดอากาศนังตางสักรว่าเกี่ยวกับเสัยงตางอย่างถูกต้องอ่านเดียวแม่เดียวไม่ได้ใจใจเหมือนท้นก้อนขวดใส่ฝาผนังตรงนะ สัตจะว่าติดตกลงแล้วหยุดแล้วไม่ใส่ใจแมะแต่เป็นสุขแม้แต่ทุกมันไปถปึงพอใจความไม่พอใจความยึดมันดม่นถือมั่นสมมูลปัญญัดมันไปถึงน้น่นมันตกลงแล้วน้ำว่าสัตจะวามันอยู่ที่การสัมผัสอะไรก็ตามถ้าสัตจะวา ถ้าหลุดแล้วคนแก่โสแล้วุดแล้วถ้ามีทุกข์ุดไปแล้วถ้านมืทุกข์ุดไปแล้วมีความพอใจพใจก็หุดไปแล้วบนจะติดอยู่หืดินหืิงินยสยังติดติดอยู่ติดอยู่ติดกนติดน้อยต อิตุกับน้อยทกอิ็อเป็นน้อยปอด็อกหัใจไม่ใจเน้อยอยู่สนั่ืพื่อาการหลังตาขึ้นมาเถิดขึ้นมาถ้าศัพว่ามันหลุดจะไม่เฝือพื่อนยี่บเห็นยีไม่เต็มอันนี้จะไม่บริสุทธิ์ นี่คือลักฐาเกี่ยวการปฏิบัติมันง่ายๆนะเห็นไม่ได้เป็นอะไรที่เกิดจะศาสตร์สนใจม่อแเห็นไม่ได้เป็นไปจากมันอันนี้คือวิธีปฏิบัติที่เป็นศีลเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นสมมตจนโริุด ความบริสุทธิ์หมดจุด o ่อเครืงสมอก็คือภาวะที่เส้นไมไเป็นผู้สืบสัตว์จะนอะไก็ตามที่เกิด a ับตาก a บใจนี่ทำแมสเซี่ยงสื่้นไม่เต้นเป็นภาวะที่หมดจุด่อครได้ จะง่ายตันง่ายไ ป, ยไปใช่เราใต้หลักแต่นีไ่ได้หลักแต่นี้ง่ายเหมือนกับเหมือนกับชั่ววานนี่ว่ารถปิจักรยานขึ้นโมเวลาขึ้นมันจะทวนเฉยๆสหน่อยแต่เวลาลงง่ายขาขึ้นข้าลง ม้าฝนทานเดินที่ต่ำเหมืนน้ำไหลที่สูงลงสูงที่่มีอะไรคนไหลลงไปที่ต่ำได้ยงใสไหลใส่มอกสุดยิ่งเห็นความไม่เที่ยงยิ่งเห็นาเป็นทุกยิ่งเห็นความไม่เที่ยงตนที่เราเคยเป็นไม่เที่ยงแล้วก็นุ เวลาเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์เวลามันไม่ใช่สุตสนเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์แต่ตอนมันทวนมาอย่างนั้นมันกักเราไว้มันกักเราไว้โอเห็นว่าฟอร์มใหม่เชี่ยงมันคือฟอรมใหม่เชี่ยงจะให้มันเชี่ยงได้อย่างไร พอเห็นความเป็นทุกข์คคือเป็นทุกข์ใช่เป็นสุขก็ย่างไรคือมันสุขของจริงอยู่ตรนี้ถ้าแค่ก็อยู่หนควไม่เที่ยงเความเป็นทุกข์เห็นคมไม่เ่ตัวตนนเอียงไได้ง่ายกับมรรคกับผลสูงมากสู่ผลนะรู้อย่างนี้ชัดนโอ้สู่มรรคสูผลนะ ทุกอย่างรวมลงอยู่ที่นี่หมดอะไรกรมอยู่ที่นี่รวมลงลงอยู่ที่มเรวมลงอยู่ที่มทุกรวมลงอยู่ที่ามเป็นเตันตงหมดอะไรชวิตเราในีงหมดกชีวิตเรา็นหม้องหมดไม่มีใครที่ยงอยู่ิงเห่านีูเราได้ กำมือที่เดี่ยวง่ายสรุปในตานอาการของโรคงหมดิเมื่อเราเห็นอย่างนี้เห็นแท่งอย่างนี้สัมผัสได้อย่างนี้จริงๆนี่ก็จะช่วยเราเป็นมเป็นผลได้ สิงที่เป็นทุกขไม่เป็นทุกขมันจะตื่นทน่งมเที่ยงต้อให้ตื่นมากฟมไปทุกก็ทำให้ตื่นมากเ้ยจะฟูมไปเที่ยงเฮยเป็นทุกข์ฟมไเที่ยงหลังที่เราวัดสวดประสูติความทุกข์จังเอาแล้วสูกความทุกข์เป็นเบงหน้าแล้ว ทำแต่ไหนการตามที่สวดแสงกองทุกทั้งเส้นจากปลากดแชกแต่เราแล้วทำแบบผู้ย่อสอนนี่หละคิดจะทำตามผูที่จะอรหันต่างทำตามพระอลหันต์อรหันต์เนี่นอยเห็นคกาไม่เชื่องให็ความเป็นทุกขความไม่ใช่โทตุนเป็นเครื่องมือที่มันนี้อยู่เสมอ ไอ้ชวิตเหล่านี้มีเพื่ออะไรนันก็มีอยู่น้าใจเราอยู่กับชีวิตทั้งหมดที่มันมีและเป็นไปกับมันทั้งหมดมันก็ไม่ใช่หรือไม่เป็นหนังหุ้มกระดูกกับลงหายใจเพื่ออะไใช่เป็นชีวิตส่วนตัวส่วนตัวใช่่วนนี้ มม 5, 90, นนส่วนรวมมีม้นิ้วเจนิ้วเาน้ส้นให้เส้นส่วนรวมมากท่สุดส่วนตัวไม่มีเยคนไม่มีชีวิตส่วนตัวก็วิ่งอยื่อให้สานทำส่ว น, วนอื่นไม่มากกว่าคนที่มีส่วนตัวจิ้นเ ส, ส้นประโยชน์จิ้นไปเอง หมดแม่ตาตุนานะเออถ้าเป็นควารักฝนลึกทุกสิ่งทุกอย่างเคยก่อนเคยรักแต่เพรานะญาติี่น้องคนหนึ่งเนี่ยสัญญาสามีแต่นี้มันรักคนทั้งโลกถ้าไม่มีส่วนตัวเรารักดินไม่สิ้นไม่จางรักทุกอย่าง รักมัก็คอยช่วยเหลือช่วยเหลือทความดีจด้งออกเสียงก่คิดจะเป็นควดีทาไม่ได้คิดก็ดีแล้วคิสจะช่วยหนนคิดจะช่วยหิดจะทำมันหนุนิดจะทำมันี่คืออกเป็นควจบแบบส่วนตัวที่มันคิดดีและเป็นควาจบแบบไม่มีส่วนตัว ใ้เป็นส่วนรวมคิดเสร่อมวยเป็นส่วนรวมม่ใชสนตัวไม่ใช่อยูได้อ <awat> ันน right? <laimer i id Italia> ั้นไม่ใได้อันนี้อันนั้นมาเป็นส่วนตัวแบบนั้นไม่ดีี่เปส่วนรวมถเป็นคนคดนซึ่งไม่ใช่อยู่ที่ศกมันเลื่อนได้โดยพาะชีวิตจิของเราเนี่ย มันเป็นใหม่ได้มันอันใหม่ได้อันเกามันหมดไปอันเคยเคยมีมันหมดไปอันไหม่มาเทนที่เคยหลงควมหูมาแทที่ีิดควมถูกมาเธอควมได้ที่เคยมีวมดีเขา ม, มาเทอ มันก็เปลี่ยนไปมันก็ยศใหม่ที่ม่เลื่อยชีวิตใหม่นวชีวันเคยชีวิตใหม่อันนั้นใม่อันนั้อันใหม่ยศใหม่มันดีกว่าเก่าเก่ามันเกิดเจ t บเจ็บตายใช้อเสจิตเจงสุขเปนสุขเปนทุกหลงเป็หลงปวดเป็ปวดพอใจออันนันันเเจเจตาย ชีวิตแบบนั้นเราเมืนได้ย้อนไหวซึ่งมันเห็นว่าอยู่ตรงนั้นสุกไม่เป็นฉุกเฉินมันฉุกทุกข์ไม่เป็นทุกข์เฉินมันทุกข์นี่คือย้อนหม่นี่ฉุกเฉินไไม่ได้เ ป, ปน็นฉุกเฉิมันฉุกยอดหม่ันยาเกิดฉันดส้ว่าเกิดฉันเดาทิพานเกิดฉันเด สืบยศใหม่ไม่เสร็มันไม่มีผลกระทชคต่อชีวิตชีวิตเป็นสิงมีแบบนี้เลยชีวิตทสียหายเสียสูญหายเสยออไม่เสียหายเส็จไม่ได้ก็ยังมีชีวิตที่ไม่เสร็จไปกับมันสืบยศใหม่นี่คือมนุษย์คือคนมันทําได้ปฏิบัติได้ มันพเรื่องมาเียบหลกเันโถดหันก็มีอยู่หรือเศร้าก็มีอยู่เจอไม่เจอตัวสกปรกกับชีวิตอนันเป็นอะไรเด็บปวดก็มีอยู่เตอไม่เจอตัวสกปรกกับชีวิตอย่างนั้เป็นอะไรแม้จะหายเจไม่ได้จะมันจะตายเพราะมันมีลมหายใจมันเป็นอะไรกับสิที่มันเป็นมันคือชีวิต มัมไม่สะมพทกกัเจงกับฝับลอยแล้วจึงมาผัดเริ่มตนกับไฟเลยแล้ววิเศษเดียงกายจะว่ากายพิ่งที่เกิดขึ้นกับกายก็จ ะ, จะจะว่าไปแล้วม า, ว า, วาววเชถเสื่ตนเห็นเหตุนาเป็นสุขคนทุกก็จะว่าไฟแล้ว <c oughs> เห็นสีที่เห็นกิก็จะจะว่าไปแล้ว เหมนธรรมที่มันเกิดกับกายกับใจก็สักแต่ว่าปุดแล้วคตก่อนมันเกิดคิดก็เป็นสุขเพียงเพแต่คิดก็เป็นทุกทุกข์ก็ฟัุขกายสุขตใจเอากายเป็นเรื่องสุขเอาใจเป็นเรื่องทุกข์เอาใจเนเรื่องสุขเอาใจเป็นเรื่องทุกข์ แารยโตเป็อย่างนั้นแล้วมาปัจจุบันหนึ่งไม่เห็นแท่งตามชมจริงาาก็จะตะกูลอยู่ตะกูนอยู่แล้วนี่จะตะโกนมากที่สุดพอเห็นแท่งเห็นควคิดที่มันรักคิดมันไม่มีประโยชน์อะไรอยู่เลยคิดเราพลาดนจุกเป็นตงคิดเราทำไมนอนบบนไ่้แบบ เขมาเตือนตัวนี้เนี่ยจากสตัคูณลงไปแรงๆแต่อันนี้ไ่าสุขควากข์ที่เกิดจากความคิดจะไม่มีแล้วไม่มีประโยชน์เลยความคิดมันอะไรกันไปคิดไปคิดไปหยุดไม่ไมหยุดไม่เต็มหดไม่เต็มมเห็นลนี่นอลีงดี มือเดียวไม่ยากเลยตัวนี่ยว่าสองตัหนึ่งก็ไหวแล้วมันถูกออกมาสวมชิดหนอกมันหู้ไปไหนต่วหน่อยซ้ำๆซ้ำคิดมาตลอดโอสถิตมันเรสรีขึ้นมามันเอ็นอะนีเขาตขงตมันอยู่ที่นี่ไม่เสียเพียบคิดไหนคือสถิติคิดไหนคือความหลง หลงมันใหญ่ที่สุดหลงในความคิดตอนเดินก็เป็นั้งาวหลงพอเล็รูปบางครั้งหนูได้ยินเสียงบางครั้งแต่เปลิ้นไปลุกตายันัเป็นบางครั้งบางครแต่ว่าความคิดไม่มีวางครั้งบางคาไม่มีเหตุสัจจัยสายนออขึ้นใลตัวมันเองหนูอยู่กับคิดมาแล้วอยู่กับคิด มันเ่งมันเป็นตัวสงสารเป็นตัวสมทุทรที่แม้เขาจะเยใใเห็นตัวนี้่เคยตัวเองเยแท้อยู่ในวงล้อมควาิดมันไม่ใช่ตัวตนไม่จริงเลยตัวหนูว่าเมื่อเกวีมันแจกมากส้นมากเส้นมากเส้นโตเตตัวมะเส้นไวมากเนตกบลหอกหนึ่งข้างตกตกต้อยข้างฝันหนอนพุกลงมา ก็จะเกิดจนถึงสัมสิจิสัมสิตีมัมมาจนมดหมนี่ัวเรารูมันรูเห็นความคิดเองเห็นความคิดเองตัวคิดที่ไม่ไดอตั้งความตั้งใจคิดก็ไปร้จกตั้งใจคิดเดเออเรามีงานอยู่เรากาลังก้วต่่ยอยู่นี่กปฏิบัติอยู่นี่ก็มีรสชาติอยูนี สัตว์รู oque, ้อย <okay. S 1> ู่น่นกอบเป็นกมอยู่นี่เจ็บ้องเจ็บเอาอยู่นี่ไปทิ้งจนไปทิ้งไม่ได้เดี๋ยวยีเลยสรู้ทุกทีหายใเข้าสัู้สัตวูทงไหนก็รูได้เป็นกรอบเป็นกปนประโยชน์มีชีวิาอยู่นี่เพราะม่หลงเพราะเห็นเจอเหยกันเห็นเจอไม่เห็นเด็สันัเห็นเด็กเดตเดกันย เห็นแบบนี้มันลุ่มแหลอนนะจับได้ในชั้นนปฏิบัติธรรมไม่ได้ปฏิติถูกไอ้เจ้าันเป็นเ n ็นแบบเห็นแบสุ่มน้ำเนื้อไงเล็กันอาเล็กมันน่าเสียดเลยี่ผมม่เห็นตัวนี้เอ๋ศาลไทยปฏิบัติเจ้าศาลเอวิตีปฏิบัติ คนมาไปจบไปแลตอนนี้ไงตั้งแต่นี้ไปการจบการทุกข์เกิดจากกายเกิดจากใจตายมันกิดจากคิดเดียตายที่ได้สัมผัสมดียวไม่มีอีกแ้จุดแล้วการตายอันจะจมาเป็นสุขปทุกข์เอามใ้เป็นเครงมือทความีได้เ็ีใจใช ถูกต้อใช่ใจเส้นใช่กายเส้นใ enfin <t ulo babies> แต่ก่อนใช่ไหมเส้ e อยากคิดซึ่งบริสุทธิ์ดีๆเปิดเผยในบทเส้นแต่ไม่หยุดนี่แต่ก่อนมันก็ใช้สำหรับปั้นไม้ม่มันม m ประ a ยชน์แต่ใช่ไหมเส้น t ็ e หมือ t กับป e อนเล็กป้อนดิน f o ื่อความเจริ e นี่จิตใของเ o า e นี่ยก็เหมือใหมส้นใเทศ พอจักคุ่าก่อนคมขึ้นมาคมขึ้นมาปื้นขึ้นมาจิตบริสุทิ์จิติดดสุทธัวสิ้นอันยิ่ัสมาธิอันยิ่งเกิปัญญาิออทตาตัวขึ้นมาไหลไปงเ อ, างองง่านะิง่สูงปแห่งธรรม นิ่งมาเห็นโค้งงูเป็นตูดของการโดยวรอารมกรรมาฐานที่เคยผ่านมาแต่เป็นลูกเป็นน้ำแเป็นอวัชานเป็นสมมุติเป็นบัญญัติเป็นลูกทุกน้ำทุกมันก็ลกมไปลุกทุกน้ำทุก ขนหัวลูกตอนชีวิตที่ผ่มาขนหัวลูกไป ค, คิดจากจนั้เคยทุกจากนีเคยทำอย่างน้ขนหัวลูกตอนนั้นไปคิดลงดูคนนี้เคยเลิกหนะ้าเลิกหนะคนนี้เคยเกียดนะ่าเกลียดน่ะใจมันเกลียดมันละเคยมันโกรมันเกลียดมันโกคืนโยยเปาไม่ได้ทไม่ได้าสิ่งทมีมเ้ย เคยทุกข์เพราควคิดเป็นและเกรความคิดเคยโกรควคิดทำไม่ได้เห็นลูกทำเห็นน้ำทำต่อผู้ซื้อเช่นตาเอื้อชวนเช่นม า, นนมาคิดถึงโก้คิดถึงแม่คิดถึงทุกคนที่เคยรวมสุขรวมทุ ก, ทกคิดถึงไอต่งางๆที่เคยจะไม่ขีดคาการจะยึดมา เฮ้ยตีน้องโอ้ยเสียใจมากจะไหมืเป็นหนุ่มเฮ้ยตีน้องู้เสียใจมากมีแ ต, ต่เธอแมตตาสงสารกาันคนเป็น้อยแห่งความลำบีทำไม่ได้เด็ขาดทำดีตบแทนทำดีใช้ดีวช่วยิ่งที่ไหนใช่หนี้ให้หมด ก็ตไงการใช้นี่ี่ปฏิบัติทนี่แหละหวใชนี่พเราผิามาเป็นใชนี่ใชนี่คนพ่อใชนี่คนแม่ในี่อทุกคนที่เราทำผิดพาดมาแม้แต่วัวก็ยังใชนี่เคยใช่วัวใช่ยเทียนเทียนเียนข้าเทียนไกออ จะทำไม่ทำลายศาสตร์ใช้สรงมาสร้งเกลื่อนเอยทำไมไอ้นี่จะปจะปใส่สร้ใส่ทนก็ไม่คุ้มค่า่นี่ีจะไม่า่ม่านจะเ่ไนไม่เป็นทุกเลยทาคนทุก้ยวิใช ไม่นานมานี้หมอเอาชีวิตเส้นมาโงพยบาลเชลาเอาชีวิตตอกเส้นมารัาเชเลยนี่ยิงปีนี่เห็นใหญ่แต่ทําังางติดใชนี้เราไม่ได้ไปใช้นี้ลงทาไม่ใช่หาเงินไปใช้หนี้เคนดีและบอกคน ด, ดีออกพืชกอะไรที่พอใช้ได้ไปทำ จะทำความดีโลภแทนแผ่นดินไม่ีความขยันหมั่นเชียรในการทำความดีเขาคิดถึงนี่บุญคุณของประเทศชาติของโลกของดินฟ้าอากาศสองแผ่นดินี่สิ่นี่คุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนของผมนิดเห็นส่วนเห็นไม่ถึงรักมี วความดีที่รจะต้องลุกันไม่มีวันที่จะสินสเลยชีวิตตอนนี้ขอใช้หนี้ผลคนด้วยการทำความดีถ้ามีคำพูดจะ บ, บอกส็บอกถูกผมหลงมันไม่จริงนะผมไม่หลงมันจริงผมทุกข์มันไม่จริงเนดะ้อผมไม่ทุกข์มันจริงผมโกหไม่จริงผมไม่โกหมันจริง เป็นพอใจไม่พอใจมันไม่จริงหรอกมันไม่เป็นอะไรชีวิตนี่มันไม่เป็นอะไรมไม่เอมมีอนไรเส้นเรื่องที่เกิดขึ้ัดใจไม่มีไรที่เป็นไปสัมมันยึงไม่เป็นอะไยที่เกิดกรรึ้นมาตัดใจยิ่งอิจฉ <c oughs> ีวิตเปียบโหลอดอิจฉาจาการเป็นหนังสัม บาดเฉียบหลอดแม่มันติดอยู่ทู่นมันก็ไปกระทบประเทืนกับต้นมันติดอยู่นู่นเฉยๆหัวใจเส้นหัอใจออกหัวใจไม่ได้ก็ไม่ไดุกขาหาใจไม่ได้เจ็บปวดก็ไได้ทุกขุเรการเจ็บปวดยิ้เทาเฉินสฉินเสมอทุกขเพราเดือดร้อนบยินเทาเนเฉบาเียบหลอดจริงที่จริงแต่นอกบาดเสียบหลอดจริงๆมันเป็นไม่เป็นอะไร นี่มันจะมีอะไรก็ตามมนไม่เสียนานเรื่องคิดว่าเรียองว่ามันเป็นบักรเกียรหลอดมันหลดแล้วทุกมันหลอดแล้วทุกมันหลอดแล้วอนะอยต่างๆที่มันเคยรับที่เราเคยรับใช้มันหลอดแล้วเฮ้ยเลี้ยงลูกมัอนกับก้นบัตเกียร์มันเลี้ยงเลูกแต่ลูกมันมันหลด มันไม่ให้เลี่ยงมันไม่เป็นอาหารไม่กระทบกระเทือนกับชีวิตชีวิตที่ไม่เป็นอะไรสะเปันอะไรต้นเปรียบหลอดเปรียบติดอยู่มันไม่กระทบกระเทือนนันหายใจมันต้องหลับต้องนอนต้องเคื่อนไหวต้องกินต้องขับต้องตายนันก็เป็นเปรียบหลอดไม่กระทบกระเทือนกับชีวิต อย่างใดเราหยอย่างนี้ปฏิบัติทคนเราบชาติพบชาติเตก่อนสุขทุกทุกพบชาติแบบนั้นา เ, เ, ดดนเาจะเจอเจอตายหัใจแล้วหัใจนันเจอเจอเจอยแม้ก็อยู่ตรงนั้นพัฒนานดได้นี่ตเห็นสี่่าตามตามผู้เจ้าสนนีทำได้ทุกคนไม่ต้องขออนุาจใครมีสิทธิ ใช้สติเงองนี้ไม่ใช่ใช้สติเรื่องอื่นธรรมมาที่ใจพุทธเารื่องนี้เพื่อทำรวมหลงมาเป็นธรรมก็ไม่หลงเป็นธรรมรวมทุกมาเป็นธรรมก็ไม่ทุกข์เป็นธรรมมันคือคนน้นทำได้จดจ่อชันทําวได้มันทาได้พอที่ปวดได้อยู่เพียนได้อยู่ อย่างพระท่านสวดอนิจจาบังสุขุนอนิจจาเวลาสังขารานั้นอุปทานว้ทำยังไงอุปศตวันดูฉันตีเตียงบูปสมโอสุขุ้ำคืออมาว่าตัวคนตายงไม่ใช่สังขารเกิดขึ้นแล้วนอสังขารอะไรมฟุ้ง้ ให้ลั่สให้จังให้กรให้สุกใหทุกให้พอใจไม่พอใจนั่นหละสังขารสังขารเสร็จกันแล้วเนาะเม่อมันพงมาแจกถึงว่าเราเราโกรธเราลั่งาจังอุปทานยึดหรอใช่ถ้าวิจิตวันโลชันีวางด้อยู่วางนด้อยู่ได้อยู่อยากยดแต่ดแต่ัวทุกข์ ตัวคิดวันโดยเฉยใสงมปัจสมโอมืออรับแบบไปเล่ายู่เป็นสุ่เป็นสุขเลาะอยู่เป็นสุขปกติเสื่มาใส่สังปัจสมโกคืนมาคลืนมาความหลงเคือนมาไม่ล้จความทุกข์เนมาไมุ่กขอยให้นเหื่อแล้วดีมันปล่อยเชิงมันโอ้มันติดิง ยังิยังคิดเรื่องคิดเรียนทุกอกมาคิดชิงเรื่องความดีมีมากแต่มันไมคิดถึงคิดขอคิดไม่เต็มคิดถึงส่มดีติดส่ไม่ดีมากก็จะความดีส่วนไม่ดีเกิดขึ้นนี่เจ้แต่ใต้สมชีก็ที่สมบูรณ์ประชมสุขุมเราไม่ใช่ที่ตำหนักจะปล่อยทิง ใส่ใจสักนอยตรงนี้ใส่ใจสิ่งใส่ใสิงที่หลงไหเปลี่ยนให้ไม่หลงไปท่านนี้ก่อนแค่ตรงนี้ก่อนใหคุณเจใ้าแค่สูคหลุดไปก่อนจะไปหลงตัวน่อยแต่ตืดนรุ่นให้มันรู้รมรู้ใหมากเหมือก็เปลี่ยนร่ายจนดีทรือว่าฝ่าที่บวรท นีประโยชน์มากน้ยประโยชน์จะฟ้อมหลงก็ไม่หลงไม่มีควารู้นะถ้าไม่รู้ก็ไม่พ้นจากทุกข์นะดังการจิตใจเรบเป็นประศูนติศูนย์โดยตด้จิตศรีศูนย์เรียงจากมั น, นมึนคิดมากจริงรู้มากไม่เคยห้ามคิดนะบคนไปห้ามคิดไม่อยากให้มันคิดบางคนคิดให้มันสง่เหมือนก้อนดินก้นหินไม่มีประโยชน์ ทำมันคิดลงปล่อยจะได้รู้มันเราือพวกความคิดจะได้เห็นความคิดจ่มันพา้เกิดกะได้เห็นมันใหมันออกมาตรงไหนขึ้นมนดีแสงออกตัวพวกหงาหนอเสียงออกม า, กหาหนนจ ะ, มะ้มันอทีมันเียกับก็ไม่ใช่จิตเราจะได้เห็นมันทั้งหมดตัวจิตัวยได้ทั้งหมดด้วย ใช้เพียงโต่อการปฏิบัติพัฒนาตัวเองทุกคนทาได้สื่อายสั่งเคลื่อนสายใช้เกิดสติเอามาเป็นวัตถุอุปกรณ์นั้เกิดการวิสตินี้สติก็ไปใช่กับสิ่งที่ไม่ใช่สติอย่าให้เป็นอันอื่นไม่ว่าสติปัฏฐานโตโตกทักท้วงโตตอกสติปัฏฐานเพรศีที่ดูแลกายใจให้มันคุ้ม เราให้เป็นอื่นให้มันรู้เวลเราเราฝึกสอนต้องให้มันรู้อาที่มันดขึ้นนี่คือตินไม่สติธรรมดาสติธรรมดาจงพลอยมันก็มีสติหลังเดือนฉัก็มีสตินันนั้นสติธรมดาสติไปสับความติดมคามชั่วเลยสำเร็จเพราะเมีสติแบบนั้นสติประธานมัน ตัวตรสอบถูกต้องถงนิที่บนเให้รู้ักให้รู้กใ้รู้ก้เนเกี่ยวกับความเห็นอย่างถูกต้งความ่ก็มาใช้เอามาเป็นความนั่เ็นมันเกี่ยวกับวงนั่อย่างไรเห็นความหิวเกี่ยวกับวงหิวอยงรปเห็นความหิวควบคุมความหิ มันม่หมันจะตายันหิวมันดีแล้วขอบฟุ้นคนหิวจะเกิดเป็นทุกข์ชื่นใจอายุเจ็ดสิบปียังหิ e ข้าวหรืว่า e ื่นใเส้นสุกคนหมถวันนี้นี้ก็ได้ิมด น, น, นไปก่อนเลยว่าถ้าขันปกติถ้ามันร้อนขอบฟุ้คนรอนอย่กขอกบุคนบ เหนเหมืนเจ็ น, เ น, น, นี่คือประปติฐานมองในแง่ที่มีประโยชน์มาไล่เป็นดีกันทุกขก็เห็นมันทุกข์เออนูไมเห็นมันทุกข์ก็นี้ไม่ทุกข์เหมือนฝังหนึ่งคนละฝังฝังหนึ่งคือทุกข์ฝังหนึ่งคือไม่ทุกข์ฝังหนึ่งคือสุขฝังหนึ่งคือไม่สุขมองแบบจากจนที่ปฏิัต์นะจน ในทางไปอยู่นะนก็เกอคนก็เหมือนกันหมดต่างเลมาจากกันโดบางคนก็มัก่วงบางคนก็เคียดบางก็คิดหนั้งซนบางคนก็มีทุกข์ควนติดอะไรมาจำอะไะปฏิช ตสัพโมหะเกิดขึ้นมันติดมาก็าอาจจะหายไปดูเหมะหลังมืนระนนนปะองเมาลเกี้ยาคนเจ็วดอยู่เสมร่มอเกรยชาคจวดทั้งวันเจ็บปดอยู่เสมอดุ้งอยู่เสมอเจ็บปวดอยู่เสมอร้องไห้อยู่เสมอเกร้ยาคนเจ็บปวดทั้งเจ็บปวดอยู่เสมอดุ้งอยู่เส ม, มอ มีหเหมือนกันกตเป็นวิหารนะเพราะกรรมของตนจะทำารรมดีรุ่นเหลือสุกรม้อเลยอยู่ได้เลยทานออกมาใน่อนนี้เราประมาทมาหลังไม่สมาธิชื่อช่างโลกไม่ส ว, าว่างเลยเหมือนปัจจันตุ่นจากเมลดยดเลยเหมือนปัจันตุ่นจากเเลย เกี้ยก่อมแต่ก่อนเด็กฟองก็กลมมืดคนไม่รู้เมื่อเห็นคำเก่าก็มองและขณะเดียงน้อยจากปกเกตวัชิตวาปะจารตวน้ำธมชาติสูตมังลูกอพรที่ามุัตกันที่มาเป็นประคารฐาขอันตาสะดุ้งป้าคยด้วยมองตนเด็กเลวไม่เป็นอันราณเลยคิดอะไรมากมา ฮะคือมีกิเลสหนาะที่น่าจะไม่มากแต่เาจารย์ท่ไม่เคยพาดผัวพาดแมไม่เคยทมาขลังขวัญทุกวันจะหนึ่้งเอาสร้างเอาสร้างเอาูเอาูเอามมากกว่าทำเดิมล้้มากกว่า ความรืดตัวมากขึ้นความหลงน้อยใสน้อยใสเป็นธรรมาชาติเขอยู่ที่ความรู้ความหลงเท่านั้นเปียนหลง็ูเียหลงนหนเป็นูีน่ยสอแล้วนครับนะไดนะ้ยินครับ